ร้อยปีเอ้ยรอยวันของคุณต้นและก็พร้อมกันก็ทาบุญอุทิศส่วนถึงคุณหลวงที่เป็นคุณพ่อด้วยและก็พร้อมกันทําบุญที่คุณยมคุณยมแอดแทนที่เป็นแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วย เ, เป็นการทําบุญต่ออายุเป็นอายุวัฒนะ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 ให้สู้อย่างน้อยก็มีชีวิตอยู่สักชั่วระยะหนึ่งวันหนึ่งก็เกิดประโยชน์เพะว่าเราได้บำเพ็ญคุณงามความดีไปเรื่อยๆแต่ว่าชีวิตจบลงไปกบแปว่าชาตินั้นจบไปแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้พวกเราทุกกท่านไม่ใช่แต่คุณโยม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 ในจิตในใจของเราอยู่ตลอดเพราะนั้นขอให้พวกเราคณศสัตยาญาติโยมทุกทุกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้คิดคิดดีทำดีพูดดีในเมื่อเราลํำลึกขึ้นมาเมื่อมันผ่านไปแล้วเราล้ำลึกขึ้นมาเราก็มีความสุขใจออไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าออมีความสุขในจิตในใจเมื่อเราประกอบคุณงามความดีแล้วออตอนน่อไปพระสงฆ์จะนุโมธนาให้พร